ทำงานโดยเฉพาะที่เป็นงานอาชีพหรือการประกอบอาชีพเนี่ยมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างเช<จน>่นความรู้ความเข้าใจในงานนั้นรวมทั้งการมีทักษ ะ, ะความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆและแ น, น่นอนก็มีความพยายา ม, มเพียนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะ ซึ่งถ้าจะเรียกรวมๆก็คือความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพนี่เราได้ยินบ่อยนะบางทีเราก็ได้ยินคําพูดแบบนี้คนที่ไม่ใช่มืออาชีพนะหรือว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยนะอันนี้จะว่าไปมันก็เหมือนกับเป็นคาต่อว่าแล้วก็สำหรับคนที่ ใส่ใจในงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำที่รุนแรงจริงๆเนี่ยคว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมันมีความหมายที่น่าสนใจนะมันหมายความรวมไปถึงว่าความรักในอาชีพไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นอะไรแม้กระทั่งกว่าขยะเก็บขยะ หรือว่าอาชีพคนสวนไปยนถึงอาชีพนักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์วิศวกรสถาปนิกการรักในอาชีพเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถหรือทักษะในอาชีพนั้น ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆหรือถึงแม้จะไม่มีความรักนะในอาชีพแต่อย่างน้อยมีความเคารพนะเคารพในอาชีพนั้นซึ่งมันก็นำไปสู่การตั้งใจใส่ใจที่จะทำอาชีพหรืองานการนั้นๆให้ดีมันไม่ใช่เพียงว่าทำแบบขอไปทีเพียง ว่าเพียงแค่มีเงินเดือนซึ่งอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจของคนจำนนมากในการประกอบอาชีพแต่พอไม่มีความรักในอาชีพแล้วเนี่ยมันก็ทำงานยังไม่มีความสุขแล้งานที่ทำก็ไม่มีคุณภาพคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาไม่เพียงแค่ไม่เพียงแต่รักและเคารพในอาชีพหรืองานที่เขาทำนะแต่มันหมายถึงความพยายามที่จะทำ หน้าที่ที่ตัวเองจะรับมอบหมายให้ดีที่สุดซึ่งนั่นก็หมายถึงการทำงานที่จะรับมอบหมายเนี่ยให้รู้ล่วงด้วยดีหรือว่าสำเร็จจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้จักฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะ ในเรื่องนั้นๆเท่านั้นนะแต่มันยังรวมหมายถึงว่าการที่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาปะปนกับเรื่องของงานหรือเรื่องของส่วนรวมเพราะว่าเมื่อตั้งใจจะทำหน้าที่ขงตัวให้ดีนั่นก็หมายถึงว่าทางาน ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมเนี่ยให้มันเกิดผลดีที่สุดแต่ทำงานได้เนี่ยนะเื่คัญอันนึ้งก็คือไม่เอาเรื่องส่วนตัวหรือความอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยมาปะปนกับเรื่องของงานหรือเรื่องของส่วนรวมอันนี้เพราะวาเวลาทำงานเนี่ย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ้วก็ตามเนี่ยมันก็หากว่าทำงานในหน่วยงานเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายแล้วก็ในหน่วยงานหรือในองค์กรท่าทุกแห่งเนี่ยมันก็จะมีคนบางคนที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักขี้บ่นจู้จี้ หรือว่าชอบเพ่งโทษหรือชอบกล่าวโทษคนนั้นคนนี้ เ, นเพื่อเพื่อร่วมงานบางทีก็เอาเปรียบนะเพื่อร่วมงานถ้าเจอคนแบบนี้เนี่ยมันก็ย่อมเกิดความไม่ชอบขึ้นมาแต่คนที่เขาเป็นมืออาชีพนี่ก็จะไม่เอาความไม่ชอบเนี่ย มาเป็นเครื่องกีดขวางการทำงานหมายความว่าบางครั้งก็ต้องร่วมมือนะกับคนประเภทนั้นหรือคนกลุ่มนั้นถ้ า, าความชอบหรือความไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยมาเป็นใหญ่เหนือการงานเนี่ยมันก็ธรรมดาที่จะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยว แต่ทำงั้นเนี่ยมันก็ทำให้งานที่ตัวงรับผิดชอบเนี่ยหรืองานของส่วนรวมเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นไปได้ดีๆดีคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะ เ, าเก็บความไม่พอใจหรือไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมามาเป็นเครื่องกีดขวางการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้งานสําเร็จเพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในทางตรงข้ามเนี่ยคนที่เอาความไม่ชอบหรืออารมณ์ส่วนตัวเนี่ยมาเป็นใหญ่นะีอันนี้ก็ก็ถัอว่าทําให้งานการที่ตัวได้รับมอบหมายหรืองานของส่วนรวมเนี่ยมันนะไม่สามารถจะรุง่งรงไปด้วยดีเอาไปเองนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพนะ แล้วคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเมื่อตั้งใจจะทำงานให้รู้ร่วงนะไม่ชอบใครก็ตามเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือว่าการทะเลาะเบาแวง้งเพราะคืนทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เสียหายต่อส่วนรวมนะทำให้งานการเนี่ยสะดุดหรือว่าต้องอล้มเหลวไปเลย นัจะดูถ้าดูใหดีความเป็นเมื่อชีพมันมันเป็นเรื่องของอการรู้จักนะเอาส่วนรวมเป็นใหญ่นะเอางานเป็นใหญนะ่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวถ้ามันไม่ใช่แค่ความชอบไม่ชอบนะบางทีทํางานเนี่ยเราจะเจอคนที่ อาจจะมีวัยวุฒิน้อยกว่าแต่ว่าเขาเป็นหัวหน้าคนที่เป็นมืออาชีพนี่เขาก็ต้องนะให้ความเรียกว่าอะไรเคารพนะยกให้เป็นผู้นำถึงแม้ว่าคนคน น, นั้นเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์น้อยหรืออายุน้อย อย่างมันมีนักแสดงเนี่ยในวงการในวงการแสดงเนี่ยในวงการหนังภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีดารานะที่ครํำวอรแต่บางทีก็เจอผู้กำกับที่อายุน้อยแต่ผู้ที่เป็นนักแสดงมือชื่อนี้เขาก็ฟังนะเขาก็เชื่อผู้กำกับเพราะว่าถือว่า ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเอาเลยเห็นนักแสดงที่เป็นมือชื่อเนี่ยเขาเขาจะไม่ไม่เอาเอาความเห็นส่วนตัวเนี่ยมาเป็นใหญ่จนกระทั่งไม่เชื่อฟังผู้บังคับแล้วก็หลายคนก็พบว่าเนี่ยพอ เชื่อฟังผู้องกับแล้วเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าหนังเรื่องนั้นก็กลายเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จเพอาะผูองกับแม่ยุทน้อ ย, ยแต่ก็มีความสามารถถ้าดูใหดีความเป็นเมือนชีพมันหมายถึงการที่มีอัตราตัวตนน้อยนะเพราะถ้ามีอัตาตัวตนเยอะเนี่ยมันจะจะปล่อยให้อัตรา ก็มาเป็นใหญ่จกนกระทั่งางานการเสียหายเอาความพอใจส่วนตัวมาเป็นใหญ่เหนือความถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็มีความเห็นต่างนะ แล้วความเห็นต่างเนี่ยคนที่เป็นมือชีพเนี่ยเาก็ไม่เอาความเห็นต่างเนี่ยมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในระหว่างการทางานหรือแม้จะไม่ชอบใครเนี่ยแต่ถ้าว่าความเห็นของเามันดูมัน ด, มนดีมันถูกต้องก็รับฟังนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราพอไม่ชอบใครเนี่ยเขาแนะนำอะไรไปก็บอกปัด แต่คนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่เอาอาคติมาเป็นใหญ่แต่เขาจะดูว่าเออความเห็นที่คนคนนั้นเสนอมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันมีเหตุมีผลไหมถ้ามีเหตุมีผลก็รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าเอาความถูกต้องนะ หรือเอาเหตุผลเป็นใหญ่นะมากความถูกใจซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมะดีๆนี่เองนะเพราะว่าถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นี่ก็ถือว่าเรามีธรรมาที่ประไต่แต่ถ้าเอาอารมณ์หรืออคติหรือความคิดเสนส่วนตัวเป็นใหญ่ เอาอารมณ์ส่วนตัวเป็นใหญ่นี่มันก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยในทางธรรมเนี่ยนะธรรมอาธิปไตยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าอัตตาธิปไตยแล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยความเป็นเมือชีเนี่ยมันต้องมีตรงเนี้ยนะบางครั้งคนที่เราไม่ชอบนะก็อาจจะความอย่าเข้าเนี่ยมันดีมันมีเหตุมีผล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากจ ะ, ะไม่คัดค้านแล้วนะก็สมควรที่จะสนับสนุนด้วยให้การที่คนเราเนี่ยจ ะ, ะแบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะอันนี้คื อ, อสิ่งที่ควรทำ แล้วนี่ก็รวมไปถึงเวลาเจอใครเพื่อร่วม ง, งานที่เขาจะมีชื่อเสียงอาจจะมีได้รับความยกย่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราเอาอัตตาเป็นใหญ่เนี่ยมันก็รู้สึกอิจฉานะหรือว่ารู้สึกไม่พอใจเพราะว่าใครที่ดี เก่งเกินหน้าเกินตาเราเนี่ยเราก็จะไม่พอใจตราบใดที่เราเอา อ, อัตตาเป็นใหญ่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็จะหาทางขัดแข้งขัดขาพยายามเลื่อยขาก็้ออี้หรือพยายามที่จะไม่ช่วยเหลือไม่สนับสนุนแต่ถ้าคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะจะทาตรงข้ามนะ ก็คือว่าช่วยเหลือสนับสนนเกื้อกูลหากว่ามันช่วยทําให้งานการเจริญก้าวหน้าทําให้ส่วนรวมหรือทําให้หน่วยงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้างานการลุ่งรุ่งด้วยดีมันเป็นเรื่องการที่ต้องอาศัยการไม่ปล่อยให้อัตราเนี่ยมันเข้ามาเป็นใหญ่ เหนือการทำงานซึ่งถ้าพูดไปรวมๆมันก็เป็นเรื่องของธรรมธิปไตนะเป็นเรื่องของธรรมะและอันนี้นะมันก็เป็นเป็นคุณธรรมนะที่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยควรจะให้ความสนใจให้ความเป็นมืออาชีพเนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะนักปฏิบัติธรรมก็มีอาชีพนะหลวงพ่อ เ, อเขียนนั่งเคยพูดว่าเนี่ยอาชีพของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการภาวนาพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าเป็นคารวาสเนี่ยหรือพ่อเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ย ต้องถือว่าการภาวนาที่เป็นอาชีพของเราแล้วเมื่อการภาวนาเป็นอาชีพเนี่ยนะเราก็ต้องเป็นนักภาวนามืออาชีพนั่นคือว่าพยายามที่จะทำให้การภาวนาเนี่ยทำให้ดีที่สุดไม่ใช่มีแค่ความขยันหมั่นเพียรเท่า น, นั้นนะ แต่ว่าจะพยายามฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้การภาวนาของเราเนี่ยมันมันตรงไปสู่เป้าหมายเดี๋ยวเพราะถาว่าการภ า, าภาวนาของเราเนี่ยคืออย่างเบื้องต้นก็คือการมีสติมีความสึกตัวนีเราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้สติและความสึกตัวเนี่ยนะจะเลยงอกงามแน่นอนก็ต้องมีนะ ความรักนะความรักในสิ่งที่ทำความรักในการภาวนา น, นักภาวนาจะเป็นมืออชีพได้เนี่ยมันต้องรักในสิ่งที่เรากาลังทำนั่นคือการภาวนามีสันทานั่นเองแล้วก็ถ้ามีสันท้าแล้วเนี่ยก็จะใช้ทุกเวลาทุกโอกาสที่มีเนี่ยเพื่อการภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยนะ แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ไม่ทิ้งการทำความสึกตัวไม่ทิ้งการเจริญสติตอนดีที่ตื่นขึ้นมานะก็ทำความสึกตัวไม่ใช่ต้องรอให้ถึงเวลาภาวนาตามกำหนดนะบางคนจจะตั้งกิว่าตั้งใจว่าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมา อาบน้ำหรือล้างหน้าแล้วเนี่ยจึงค่อยมานั่งสมาธิแต่ที่จริงเนี่ยการภาวนานี่มันไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั้นเวลานี้ควรจะทำทันทีที่ระลึกขึ้นมาได้ตื่นนอนขึ้นมาระลึกขึ้นมาได้หายงงเงียก็ทำความรู้สึกตัวไปเลยไม่ว่าทำอะไร อาบน้ำกินข้าวหรือว่าล้างจานหรือว่าเดินไปทำงานทำกิจทำการงานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นนักภาวนามืออาชีพนี่น ะ, ะเขาก็จะใช้ทุกอิเลียบ ท, ทุกกิจกรรมเนี่ยเพื่อการเจริญสติเพื่อการทำความรู้สึกตัว แล้วก็จะไม่เอานะไม่เอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเป็นอุปสรรคกีดขวางนะการทำงานของตนซึ่งคือการภาวนาบางทีเราจะไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้นะหรือว่าไม่พอใจที่เขาพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่มากระทบถึงเรา อันจะป็นใช่เป็นนักภาวนามืออาชีพนะก็จะเอาแต่หนะงุดหงิดโมโหก็จมอยู่ในความหลงก็เรียกว่าบกพร่องย่อหย่อนในะในการนะภาวนาในการทําหน้าที่ของตัวแต่ทางตรงข้ามถ้าเป็นนักภาวนามืออาชีพนะก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมา เป็นอุปสรรคกี่ขวางการทำงานคนที่ข้อประกอบอาชีพนี่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะเขาจะไม่ชอบใครแล้วก็ไม่ไปทะเลาะเบาแวงด้วยแต่จะหาทางร่วมมือนะเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันสำเร็จเพื่อให้งานเป็นไปนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นคืองานทางโลกนะให้งานทางธรรมก็เหมือนกันมันธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีความไม่ชอบนะไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่พอใจเวลาการกระทาหรือคำพูดเข้ามากระทบตัวเองแต่แทนที่จะปล่อยให้ความหงุดหงิด นะความไม่พอใจความโกรธเนี่ยมันครอบงําใจจนกระทั่งลืมเน้อลืมตัวจนกระทั่งสติเนี่ยจะเจิงหรือว่าความรู้สึกตัวหดหายแล้วคนที่เป็นนักประดมือชีพนะเขาจะหวงแหนสติเขาจะหวงแหนความรู้สึกตัวเขาถือว่าจะต้องรักษาสติความรู้สึกตัวไว้ยังก็จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเหล่านี้เนี่ยมา ขัดขวางการปฏิบัติของตนในทางตรงข้ามมันก็เอามาใช้นะเป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดเช่นว่าเออเมื่อมันมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันได้ไวไหมเราสลัดมันได้ไวไหมเราปล่อยวางมันได้เร็วหรือเปล่าถ้ายัง สลัดไม่เร็วยังปล่อยวางไม่ไวอ่ะก็ต้องทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พร้อมที่จ ะ, อะเอาเรื่องที่กระทบเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดให้กับตัวเองเรื่อยๆนะไม่ใช่อ่ะคิดแต่จะแก้แค้นคิดแตจะตอบโต้หรือจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความขับแค้นเขาไม่เสียเวลาการปฏิบัติ อย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่เมืออาชีพแล้วเมืออาชีพนี้เขาต้องทําตรงข้ามแล้วไม่ใช่แค่การภาวนาในรูปแบบหรือการภาวนาที่เป็นการทํางานด้านในนะบางครั้งการภาวนามันก็ออกมาด้รยหลวงการทํากิจทําการงานเช่นทําครัว กว่าลานวัดนะหรือว่าทํากิจของส่วนรวมส่วนรวมในที่นี้หมายถึงวัดเนี่ยหรือว่าหมายถึงสํานักอันนี้ซึ่งนักภาวนาเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่อย่างนี้กันถ้าเป็นมืออาชีพนะถึงแม้ว่าใครเขาจะทําหรือไม่ทํานะฉันก็ไม่เอาพฤติกรรมหรือการกระทําของเขาเนี่ยมา มาสร้างความขุนเคิญใจหรื อ, อามาเป็นข้ออ้างว่าในเมื่อเขาไม่ทําฉันก็ไม่ทําด้วยนะจะทําไปทําไมในเมื่อเขาไม่ทําอย่างนี้เลยว่าไม่ใช่เหมือชีพเนะเหมือชีพเนี่ยนะใครก็จะทำไม่หรือไม่ทําฉันไม่สนใจฉันก็จะทําของฉันและหากว่าจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของเขานะก็จะเข้าไปหา แล้วก็พยายามที่จ ะ, ะร่วมกันทำงานแม้ว่าจะมีความไม่ชอบนะในพฤติกรรมหรือการกระทำนะก็ไม่ออกมาเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นนะการแสดงถึงคุณธรรมของมืออาชีพนะซึ่งอนัปปฏิบัติเนี่ยนะกวนจะมีอย่าไปคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของคาราวาร่ามันเป็นเรื่องของ ครที่ประกอบอาชีพทางโลกที่เท่านั้นที่มีความเป็นมืออาชีพแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งในทางโลกนะในองค์กรในหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มันก็ลืมไปแล้วนะความเป็นมืออาชีพคืออะไร้วคนเรา เ, เราก็เห็นเนี่ยในองค์กรในหลายหน่วยงานทั้งราชการเอกชนเนี่ย ต่างคนต่างก็เอาตัวตนเป็นใหญ่เอาความเห็นเอาความเอาอารมณ์ส่วนตัวเป็นใหญ่จนเหนืองานการหรือว่าเอาอารมณ์เนี่ยความชอบไม่ชอบมาปะปนกับเรื่องการทำงานจนรทั่งงานนี่ เ, นเสียหายเป็นหมดเพราะว่ามีความไม่ชอบคนนั้นคนนี้ กนะ็เลยขัดแยง้งก็เลยทะเลาะเบาแว้งกันหรือว่าขัดแข้งขัดขากันที่จริงคนที่รักในงานหรือเป็นมือชีดนี่นะก็จะรู้จักนะอดทนอดกลั้นแม้ว่าจะไม่ชอบใจใครบางคนนะแต่หากว่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้งานนั้นะสำเร็จเพื่อทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็จาเป็นต้องทำและนี่ก็เป็นคุณธรรมนะ ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการทําให้ตัวตนหรืออัตราเล็กลงด้วยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเอางานเป็นใหญ่นะเอางานเป็นใหญ่เนี่ยตัวตนหรืออัตรามันก็จ ะ, ะเล็กลงมันจะไม่เมีอำ น, นาจ เ, เหนือจิตใจของผู้คนซึ่งที่จริงมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง แล้วนี่นะมันยิ่งจะเป็นยิ่งยิ่งจเป็นเข้าไปใหญ่นะสำหรับนักภาวนานักบวชหรือว่านักปฏิบัติธรรมเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คือการทำให้ตัวดน อ, นอัตตาเล็กลงลเพราะนั้นเนี่ยยิ่งต้องถือหลักที่เรียกว่าธรรมาธิปัตยหรืออย่างในน้อยเนี่ยก็เอาส่วนรวมเป็นใหญ่ อาสงเนี่ยนะวินัยของสงเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อเอาส่วนรวมเป็นใหญ่ซึ่งถ้าปฏิบททัติได้ถูกต้องเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเนี่ยมันลดน้อยลงหรือเรื่องง่ายๆคือว่าตัวตนมันเล็กลงนะแต่มไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะคารวะที่เป็นนักปฏิบัติรมเนี่ยถ้าวางใจถูกต้องเนี่ย เอาการภาวนาเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ช่วยทําให้อัตตาตัวตนเล็กลงโดยเพราะถ้าหากว่าสติและความสึกตัวเนี่ยเจริญก้าวหน้ามันก็ทําให้รู้ทันนะไม่ปล่อยให้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเป็นใหญ่หรือบงการจิตใจของเราหรือปลให้ความหลงเข้ามาครอบงำจนกระทั่งการปฏิบัติเสียหายดังนี้ที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเนี่ยนอกภาวนาเนี่ยคืออ่า นักนาต้องเอานักปฏิบัติธรรมต้องเอาการภาวนาเป็นอาชีพเนี่ยนะถ้าเราเห็นว่าการภ า, าวนาเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นมืออาชีพนะไม่ให้ทำแบบสมัครเล่นนะซึ่งก็จะไม่เกิดผลดีนะต้องกลับตัวเองแล้วกลับส่วนรวมเลยเย็นนี้พุทธ น, นี้นะกราบ